ท่นทั้งหลายต้อง่ายบรรพิตและคาลิหัสมันนี้เป็นวันพระแรนแปดค่ำเข้าสู่ภาวะเวลาการผ่านพุ่นไปถึงเดือนเก้ากะเก้ายังสุดจะสินเดือนอีกแล้วเป็นวันธรรมโสนะเป็นวันพระึ่งเราพุทธบษัททั้งหลาย ก็ได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลรักษาอุโบสถบําเพ็นกิตภาวนาบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาตามกาลเวลาเพราะกาลเวลานี้คือวันพระวันที่เราต้องเตรียมการเข้าสู่ภาวะอุโบสถในวันเรียกว่วันโกนวันพระถึงเวลาเตรียนการท่านก็มาการเงินวันโกน ไปเรียนกันมาฐานห้าวัน7จดวันเวลาจำกัดหรือกเกินหมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้สำหรับรบาชการหน้าที่จำกัดเวลาก็มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองคืนสามวันก็กลับไปทำงานวันจำไม่เสียเวลาได้การที่เราปฏิบัติที่บ้านก็ดีอยู่แต่จะให้สงบลิ้งหยาดสงดโดย ตัดไปพ่อกรงวลที่วัดดีสุดไม่จะ ต, ตามโรงแรมหรือตามโหเตลหรือตามบ้างก็หามไม่ได้เราพุทธเจา้าสอนต้องไปหาที่สงบที่วัดถึงจะมีคนมากมายหลายประการก็ตามขอให้เราสุตสงบอย่าไปวุ่นวายกับคนอืน่นเขาอย่าไปสนใจกับคนอืน่นเขา ก็อย่าพูดอย่างไงอย่าไปสนอย่าไปรับอารมณ์ของคนอื่นมาโดยเด็ดขาดเราควรจะศึกษาอารมณ์ของเราที่ดีที่สุดแล้วเรามาหาความสงบในวัดปฏิบัติธรรมอย่าไปเอาเรื่องอลาของคนอื่นเขาแลวคนหลายประเภทด้วยการโคจรพรอย่างนั้นและมาบวชหลายลูกหลายนาน หลายแห่งฝนหลายตำบลมาหลายฐานะมาหลายเหตุการณ์เหมือมนกันไม่ได้ไมย้ยอดต่างพันดอกไม้ต่างพันหอมบ้างเหม็นบ้างบางทีดอกอุปภิกสวยแต่มันเหม็นดอกไม้บางอย่างสวยแต่มันไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้บางอย่างมันก็มีกลิ่นหอม ดอกง่าบางอย่างมันก็มีกลิ่นเหม็นเช่นดอกอุตภิภดอกประทานโทษดอกติดหนูติดหมาเหม็นมากเช่นดอกส้มโรนก็เหม็นเหม็นอย่างอะไรดีแต่การเหม็นการหอมก็ไปเรื่องของดอกง่าคนก็เฉลี่ยการมือทั้งหอมทั้งเหม็นมีทั้งดีทั้งชั่วมีอทั้งเหม็นไม่เหม็น ตัวคนยังเหมือนกันในดาเพราะทานโทษเช่นนั้นอันนี้เป็นการที่สูจในเรื่องสตรมมาฐานพระพุทธเจ้าสอนดีเหลือเกินสอนให้เรามีปัญญาให้เราแก้ไขปัญหาไม่ได้สอนให้เราไปสู่ภาวะอันไล้กาและเล้าละละจะมีเงินมีทองมากมายกายฟองหลายพันหลายกะหาปัะ แต่ไม่สามารถจะสร้างให้เราเป็นคนดีได้ผู้นองที่รักเงินทองมีซื้อความดีไม่ได้ซื้อความสุขไม่ได้ซื้อความทุกข์ได้แน่นอนให้ความสําเร็จในชีวิตไม่ได้เลยแต่ให้ความสะดวกซื้อรถเบื้องซื้อบ้านแถวเฮาดักซื้อคอนโดคันโดได้แต่ไม่มีความสําเร็จในชีวิตไม่เป็นมงคนชีวิตเลย ท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านจะมีเงินตือพันล้านก็ตามการหามาด้วยความเหนื่อยยากด้วยลําเคงใจต่องจะต้องเวรคืนทั้งหมดจจต้องจะลาโลกไปสู่ชั้มผลิตภัณของเหล่านั้นต้องเวรคืนทั้งหมดทั้งหลายอย่าคิดว่าเป็นของท่านเลยหามาได้ก็ต้องใช้ต้องกินหามาได้ด้วยความยากความเหนื่อยลําบากลําเคงใจด้วยความสุขผลิต วิถีธรรมต้องใช้ความสุดปลิดวิตีธรรมให้เป็นประโยชน์ต่อโลกและครอบครัวน่าจะตีความเข้ามาหาตัวเองให้ชัดเจนเช่นนี้ท่านทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าที่ธรรมบวชมีนั้ น, นต่างพันต่างที่ท่างฐานต่างวันนะกันหา มาทั้งยากมีือมือจนมาทั้งรับระชการในหน้าที่ทุกอยาก่างแต่มาแล้วก็มารวมกันเช่นนี้ศึกษาธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมให้จิตใจสูงให้จิตใจมีค่าเวลามีประโยชน์แล้วท่านจะเข้าใจเองว่า่านเป็นดอกไม้พันอะไรพันเรือหรือพันอะไรดอกไม้ไ ม, ไม้ดอกไม้หอมไม้ต้นไม้ใบ มีหลายชนิกยิ่งคิดมือละเอียดตอนไม้ยังไม่เหมือนการดอกก็สวยแต่ก็ไม่สวยจนเกินไปที่มันจะต้งองเลยล้างหา่างไกลดอกอะไรที่ทนหน่อยก็คื อ, ด อ, อดอกบางไม่เลยมันไม่หอมดอกบานไม่รู้เลยคือหมายความว่ามันไม่รู้จักเลยแล้วงเพราะมันทนดอกชนิดนี้นเรียกว่าบานไม่รู้ลง บอกเอ๋ยดอกมะลิซ้อฉันลาก่อนแล้วมะลิลา ล, ลาแล้วลาอีเกเท่ากัลากันตัไม่มีซ้อนคนวิธีการมันจะหอมอย่างนั้นหรือประการใดเกิดเครื่องตั้งอยู่จงให้ตกและดับไปไม่มีอะไรที่มันแน่นอนในชีวิตแต่ประการใดเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ท่านมาบวชจะก็ขอให้พิสุนาวะตะ เวลาทั้งหลายเอย๋ยโตก้นหาพระในตัวท่านกระท่านมาพบพระได้ 3, 000, 000, 000, สามเดือนหนึ่งพันสาหรือสื่เดือนกลางเดืที่สองแตท่านพบพระท่านจะชื่นใจไม่ใช่น้อยพระอยู่ที่ไหนท่านปฏิบัติธรรมและศึกษาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสน า, ป ฏ, า, นาปฏิเวทศาสนาท่านจะพบพระในกายิขาสาม สาวองค์ไหนพบพระองค์นั้นจะเรียกร้อยสวยน้าพรักสวยน่ารั ก, นรกหน้าเคารพหน้านอบว่าหน้าบูชาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีความสําคัญในการเบียดบียดเพื่ออะไรเราเป็นชายชาติเชื้อญาเหลียวิสาลเบียพื่อเป็นการทุบชีวิตให้ท่านมีคมค้ครอบครัวเรื่องนี้จะตั้งเลยชื่อว่ามงคลชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ ม, ม, ชมงคลเฉย ไม่ใช่มหางคลมงคลชีวิตใช้ชีวิตไปเดิมพันในการบครั้งนี้มาจะถิ้งฐานต่างบ้านต่างเมืองกันมาบเพื่อชีวิตมีอ่าเวลามือปโยชเป็นมงคลชีวิตมงคลชีวิตแปลว่ากัตาูกัตเวิตาทำแ ท, ง, ทงคุณพ่อแม่ ท, ทั้งหลายารทำทั้งหลายเอ๋ยโลดคิดเดี๋ยวนี้ทั้งโยมหญิงโยมญาติยมเชือ พ่อแม่เจ็บเลยไว้เกลือข้าอย่างไรก็ตามโบราณเขาบอกให้มาดูจใจมาดูลมให้ใจตะาวา่างลมคือขาดใจตายแต่เขาเข้าใจผิดให้มาดูเท่า น, นั้นเดียวพ่อก็จะตายแม่ก็จะตายอยู่นี้ให้มาดูจใจข้อพู้เมืงต้องการจะได้มารับสั่งว่าแม่จะจ่ากอนนี้แล้วนลูกนะแม่จะสั่งคุยว่าเท่านี้เอง พ่อสองพ่อเอ๋ยพ่อจะสั่งเจ้าเจ้าเป็นคนโตโปรดเลี้ยงนองนี่้อ ง, นานางการตรงนี้ล้วมานจะกองการมันดูรมให้เจา้าแล้วพอเวลาเจ็บจะไล่ตายพ่าไปถอเชื่อแผเอาเชื่อมมาสายก็ตายเลยโง่ที่สุดโง่ที่สุดคนจีนที่มาก็อบคอย่างกองการจะให้เปลี่ยนผ้าตอนที่วัมีน้ำเดือัน้ำหนองต้นพีดา สบายใจสอนกรรมาฐานแล้วก็สมเด็จมักผลตอนสะอาดกายสบายใจสะอาดเสื้อเลยรงจริงจำผิดเลยลเพราะแม่จะตายเ่ยจะตาเลืกดใส่เสื้อจะได้เอาไปด้วยบูพิษิตมิกรองหีือ ว, วันพระนาจะเล่าพิชุนกรองจะเป็นเพื่อนกับเราที่ตายไปแล้วเสื้อผ้าไปไม่ได้กระทั่งที่ส่เอาไปได้เฉพาผ้าพาะบงที่ไปทอะตาไว้กลับมาพ้วกับเอือหีเดียว เอาไปได้ต้องการให้มาเห็นใจต้องการจะรับสั่งแม่อยากจะพบลูกลูกแมาก็รับสั่งว่าลูกเอ๋ยจะจงเลี้ยงน้องนงนะส่งน้องเรียนหนังสือให้จบนะแม่จะตายแล้วลูกเอ๋ยต้องกานตรงนี้อย่างนึงพ่อก็จะตายแล้วลูกเอ๋ยขอลูกจรงรักษาสับตบคือพ่อหาว้าได้ได้สังว่าในสวน ถ้าลูกายคนนี้ขี้เกียจไม่อยากทางานรัการพ่อเดีชับฝังไว้มนสวนโกิพ่อตายแล้วไปขุดในสวนให้ดัดพอพ่อตายะก็ไปขุดอยากว่าับดูอยากหนล้วอส้นหนากลาดมามันจะตายเลยทางงานเลยออกดอกออกผลให้รอมหนาสานี่ตงแตงตร ง, งนี้รวยมาลูกชายจำควรเงื่ เสื้อที่เจ้าจะชัดเจอีประการที่สามพ่อแม่จะเริ่มหาตาจากักไม่ต้อไปนั่งเฝ้านั่งกะเลียนการมาะานให้โดยไหมไม่มีเลยแล้วไม่ชีไม่เอาไหนเลยลนะเมื่อที่ช่วยพ่อแม่ได้ไม่เอาเลยแม่จะตายก็มานั่งดูแล้วก็มานั่งคุยกันละเมื่อแม่ให้และเนื่อ พ่อให้มือบ้างจะคอยจะแย่สมบัติกันเท่านัา้นมือเลวที่สุดในโลกนี้อาจารย์้าน่ามืออะไรเขาว่าปากถืออะไรก็แล้วแต่มือถือไม้เท้ามือถือไม้เท้าปากถือสิลไม้เท้ า, า, า, าดาบโอเคแต่หน้าผทวดเวลาเนี้ยเมี่ยต้องการตรงนี้ไหมพ่อแมาก็แม่ตื่นหน้าก็สวดมน ถ้าไว้พรให้ท่านว่าเราเ่เกิดมาจากท่านแนละ้วท่านก็จะตายจาโลกไปแล้วขอให้ท่านอย่าได้มีเวทนาเลยถ้าพ่อเม่เคยปฏิบัติกรรมฐานนะก็จะได้เจรความออกมาชัดเจนวะ่าออไปวัดประทิบเบาๆสัง่งเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถ้ามรอนะยมนวนาหลงเล่นยู่เป็นการไะสารกองปองเผาเราเสมอ อยเล่เล่ห์ทักเวียนทำพระกรรมฐานเราเกิดมาในชาติคนโลกต้องตายเลื่อนกันทุกคนไม่มีใครวอาพ้นจับความตายไปโดยเดวเวลาใกล้กตายญาติบอกให้คิดถึงพระละหังรู้ว่าคือสุขคุณระพุท ธ, ธังเพราะกำลังเวทนาทุกข์กล่าตรงนี้น่าจะตี่ความมาเวทนาจะเกิดขึ้นท่านจะตืความไดปยังไงไปกบบโอยโอยๆล่องคลางกระทั่งตาย การทานทะเลนการมานถามท่านจะเป่งก ต, ตกกการจะไม่มัวโอ้อาอย่างนี้ท่านจะไปนรกไฟฉานกองก็คืออะไรลาคาาทาคินาโทสักทินาโมหะทินามี่เป็งไฟร้งองยังไฟเผาผ่อนแต่ไฟเนี่ยโลกล้วมันก็ดับแต่ไฟลาคาาทาคินาโทสักทินาโมหะไม่รู้จักดับอยู่ในตัวท่านสุไา้ผู้นั้นจะไปนรกมันเผาซะจนหมดไม่มีเหลือหรอหรื อ, อไฟศืลาคะ ไฟนั่นคือโทสะไฟนั่นคือโมหะเผากระหล่ไปทางกระทั่งตายทั้งลูกทั้งหลานหาความสฉมลียวีหาหมูไม่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญกระการหนึ่งเพราะฉะนั้นกระเปนพระภิกษุเถระหรือนาวากาปรตามที่มาบุตรนั้นการทำทั้งหลายตั้งใจบุตจริงทุกสิ่งจ ะ, จะได้ผลไม่ใช่บวชลับ ร, รงองครองประเพณีหมูสงสารหลางก็ฉุกหาความสนุกตามเพื่อนไม่ได้ บวช อ, อกหากแล้วแถมหลักร้อยบวชไปคอยงานบวชทั้งขานเสื่อมและกรรมบวชนาจะบวชไปเรื่นสายศรัท ธ, ธาในพระศาสนาท่านจะได้บุญมหาศาลท่านจะเลงกรรมฐานเนี่ยท่านจะนด้ขึงแม่แม่อจา๋าแม่พลนูแม่ปะพายใจพักพ่อจา๋าคือพ่อะวิจัยของเราคือพ่อติดแฮแม่เอ๋ยนม่เบือดแม่เหลืองแต่ละหยดไม่ให้เราทั้ง เลือดก้อนของแม่อยู่ในท้องเวลาแพ้ท้องส่อสารวิญญาณจะเข้าสู่ในร่างกายไปเลือดกาะนาเข้าเลือดก้อนก็กลายเป็นสังขารรูปประทรับนามาทำตามกฎแห่งกรร ม, มครบอาการทั้งสองวิญญาณถึงจะสูงสิทธิ์เข้าสู่ร่างได้ตังทีจำไหมไม่ใช่ว่าวิญญาณจะเข้าไปคอในท้อง เหมือนเราจะตกบ้านต้องไปคอยอยู่บนล่งางคาแล้วก็ตกกังนงั้นเหรอหจำม้เลยบางคนไม่รู้รู้ไม่จริงรู้ประทันนะมรทชันผัวเมียสามีภรรยาเป็นพ่นอแม่สะสมด้วยเดิมตารตามสนองมาทำให้เรียกกัวเนี่ยบกเลาะไม่คลดอาการทีสร่สองออกมาจะเป็นง่อยเปรี้ยวเยื้อขาทากดแทงตามที่ทำไวอุชลาธรรมนะอุชลาธรรมนะออกลูกมาเป็นง่อยเปรอ้ยวเื้อขา ออกมาเป็นเบ้บ้าเฉียดเฉลิทธองนี้เลี่ยนสําคัญมากแต่เราก็ไม่มีความสําคัญตรงนั้นเลยอยู่ที่ทางน้ำเบือการเป็นพระสงฆ์องค์เก้าทําค้นหาพระเจอเพราะฉะนั้นกิจวัตรอย่าห่างเหินอย่าเมืองเฉยทําอะไรเสมอต้นเสมอปลายจะคุณเจ้าวจะพบพระอยู่วันหนึ่งถ้าจะพบพระเราควรจะเต้นตามน้ําไหลออกจากตาด้วยติเต๋โอ้โหพระอยู่ในใจเราแล้วอ๋อพระอยู่นี่แล้ว และสดตึงกลาคอไม่เหี่ยวแห้งเหมืนแต่ก่อนแล้วมันจะโสดชืน่ตนตลอดเลการคือพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐชีวิตจะร่ำเลือดแปลว่ามงคลชีวิตในเรื่องนี้พบพระทันแล้วมงคลชีวิตจะดีขึ้นจะพูดตาพาทีเป็นสมณนะอาตมาภาพผู้เจริญพรไม่พยองหลวงไหน แล้วพูดกาพาพื้ก็น่าเลียม ส, า, ส า, า, า, า, ายหน้ า, ม า, มาสาท่าหน้ากราบหน้าไหว้หน้านมัสการออกมาอย่างนี้ท่านจะพบพระบางคนมาปฏิบัติกรรมฐานมาบวชก็ไม่เคยเบพระแต่พบจะเปรตไปพบจะเปรต ไ, ไปพบจะอสุรกายไปพบจะศาสเดระฉานอยู่ในจิตใจข้างต้นมนุษย์สแปะเอมนุษย์เดระฉาโนมนุษย์กเมรีโกพบไปอย่างเดือดร้อแตลอดเลยการกลับไปบ้านยังเดือดร้อนต่อไปท่านจะพบพระหาไม่ได้ ทางสาธุชนพุทธบุตรสัตทั้งหลายท่านมาบวชปฏิบัติเจ็ดวันขอให้พบพระชมนาวิสัยขอให้พบบัญปชิตเป็นนักบวชเถิดประเสริฐแล้วท่านจะแทอองคุณพ่อคุณแม่ของท่งานได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบวชแล้วให้พบพระพบพระปร ะ, ประปเสริฐที่สุดแลท่านจะได้เป็นพระเป็ น, นอยู่ที่ผีเดชวละเป็นพระอยู่ที่จริงเป็นพระอยู่ที่ใจ แล้วเสด็จที่สุดแล้วเมื่อมาเนี่ยได้พบพระขึ้นอย่าถ้าไม่พบพระ ก, กลับไปบ้านแล้วยิ่งกับคนก่าเต็มมันใหสแปร์โตร่างกายเป็นมนุษย์สวยสง่างามแปต่จิตเป็นเปลิมากง่ายมากได้ยากมากแต่เสียพระหน่งเสียไม่เอาแน่นอนมนุษย์เดรัจฉาโนร่างกายเป็นมนุษย์สวยงามแต่จิตเประ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เดรัฉา น, าา น, น, วานวาขวางกูน้อขวางกูนี่พื้นขึ้นขึ้นหลอกไม่เดรัจฉ์ เราอยเข้าใจผิดที่ว่าเดรัฉานผู้ประธานโชคไม่ใช่สุนะัขไม่ใช่สุนัขนี่แปลว่าสับเดรัจฉานตามรอมนุษย์ไม่หว่หละคำว่ า, วาวเดรัฉานตัวนี้แปลว่าขวานแปลว่าไปไม่รอดไม่ปอดภัยไปไหนก็ขัดคอคนนั้นขัดใจคนนั้นปลาจะจากเมตตาหามีความดีไม่อย่าอวดเท่ออวดีไม่ได้มนุษย์เนรยิ่งโก นาสุดายล่างกายเป็นมนุษย์โสพาผ้าโสผีหน้าตาดีๆสวยน่ารักแต่จิตใจเป็นนรกเคลื่นบ้างคลายเดือดร้อนแบบนั้นทันความเดือดร้อนกระทั่งพี่น้องก็เดือดร้อนพี่น้องก็แตแกแยกกันตลอดอะไรต่างเคลื่นบ้างคลายบ้าง น, นั้นเป็นอาตมโงนคือมนุษย์เมเลยโกท่านจะเคลื่นบ้างคลายละเดือดร้อนแบบนั้นนี่คือมนุษย์นรก ไม่ต้องไปเอาในชาติหน้าชาตินี้พี่น้องทั้งหลายจะเห็นชัดอาตมาไปนรกมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังเป็นเปรตมาแล้วห้าที่สองวันน้ําแำกละโหยดมีโคมเลยแทบจะขาดใจตา ย, ตายถามแม่เตียงดูสิต้องเอาน้ำหยดเราช่วยได้หรือผิวน้ําที่สุดถือเล้ากาวเอากราบข้าไปกินใช่เองเอาไปถวายพระยายบอ ก, ะบ ก, ะบกะบจะเป็นเปรตทั้งตาสู้เข็มเต็นมาแล้วห้าที่สองวัน ข้าวเชื่อไม่เลยเชื่อวไปแล้วก็เสือกมันกดเลียบหยดเมะไม่เ ม, มะร้อนที่สุดคันที่สุดพอเสือกมือก็เข้าไปกาไม่ได้คือนรกแท้ๆนี่เมะแล้วยึโกโอ้อย่าทําได้ไหมพวกไม่ชีท้ที่รักโปรดพิจารณาตัวเองอย่าไปขึ้นอย่างงงไปไปสร้างโลนสร้างนี่สร้างตัวเองก็ยังไม่ไปในหลอดจะไปสร้างอะไรกันขอฝาไปคิดไม่ใช่วะ ถ้าตัวเองให้มันได้เอาพระมาไว้ในใจให้มาบวชเนี่ยขมะอย่างที่โยมาเนี่ยพบพระอะไอย่างทาไมพบพระจะเดือดร้อนในอนาคตจะเห็นขาวต้องดำไปเลยเห็นกระเพืนไปข้างแรงไปเลยนานที่ใเนี่ยเห็นองจาตนดอกบัวไปซะได้ สงฆ์คนความชั่วเป็นขวัญถ้าผู้ปฏิบัติทำพบพระเมื่อไร่กรรมฐานเนี่ยทำให้เราเดินไปหาพระเอาพระออกหน้าไปเดินตามพระไม่ผิดทางไม่ผิดทางใจก็เสิบและเมืดอพิทธะนี่เห็นหมอเห็นด้วยปัญญาใช้ปัญญาญาณให้มาสู่จิตใจของเรานั่นจะมีพระไม่ใะพระตะเกลัวพระทางแดงเป็นพระใจก็ะเสิบเติมอะไรหรืออย่าง กำหนดจิตได้หรือไม่บางแห่งช น, นะปวดหนอก็ไม่รู้จะคนอยู่ตรงไหนเอาจิตบาดลนไปคือปวดยิ่งปวดหนักศึกษาใเข้าใจเปิเครื่องตั้งอยู่ดับไปเวทนาก็แยกไปจิตก็ไม่กัวงวลจิตก็กลับมาที่เดิมคือพระปวดเมื่อยนั้นมันก็หายไปโดยอัตโนมัติเราไม่ไปกัวงวลก็มันมันจะกัวงวลก็เราไหมเราไม่ไปผูกพันก็มันมันจะผูกพันก็เราไหมจําไม่เลยแยกลูกแยกนามออกไป เดีอตาพูดปากเพื่อใครปากเดินปากยาวปากกาปากกาเลยยาวและปากคนยาวมากยาวโดวยเก็บเอาตรงเนี้ยเก็บแล้วผสมน้อยเสือกเอาไปกรุงเทพเอาไปอย่างวัดพูดมากน่าลำคาญเหมือนยากเหมือนมาในอนาคตใช่ไหมไดานาจะเสียดายพูดไปมันขัดใจเขางคำเราเนะี่ยมันเบาราคา ทำได้ขาดในตาเดี๋ยวลดราคางานเราเองไปพูดทําไมมีกลุ่ไปพูดทำไมเสียสักสีเสียสักแพ็คเสียไซเคิลเสียสัก์สีหน้าที่การงานเสียหมดทุกอย่างเขาว่าเสียศูนย์ศูนย์เสียศูนย์แล้วเสีอศูนย์แล้ววิ่มันกระหกรกระหกรกระหกรรถไม่มีศูนย์เนี่ยมันไปความมาศูนย์ไม่ดีต้องไปตั้งศูนย์ใช่ดีหน่อยรึเปล แต่สูนเดือแล้วจะวิ่งโยงคงที่สงวาคงสอบก็ไม่มีสั่นเทือนแต่อาการดับใจไม่ฝั่นใจไม่สะเทือน ใ, ใจไม่เลื่อนรอยใจจะอยู่โยงคงที่ตลอดไปอย่างมืดเสือสูนแต่เสียสูนแล้วมันต้องครบกันนะวิ่งทะเลยทลายหรือมาดีออกนอกลงหนอกทางเป็นมา้าแหกข้อชางจอกแตกเพราะรถเสือสูนตัวเองเสียสูนถ้าเราดี ไปไม่หลอดในประเทศยไม่มีมีแต่เฉยๆยังงไงตัวราชการานสาธุชงที่รททักัลหลารพระพุทธเจ้าสอนหน้ากหนามีเงินตื้มื่นล้านถึงจะช่วยคนอื่นได้ไม่ต้องใช้เงินในประเทศไทยเงินไม่มีไม่ต้องต้องห่วงน้ํามันลิตรละร้อยบาทก็ไม่ต้องขอให้เราเพิ่มราคาตัวเองให้มีราคา่าให้ตัวเองมีราคาให้มากกว่านี้เดี๋ยวนี้อราคาของเครื่องแต่ราคาคนมันตก ราคาคนตกเนี่ยของมันยิ่งขึ้นราคาตัวเองตกลนไปอย่างเงี้ยจะไปรอดนะจะไปรอดนะยกตัวอย่างว่าเนี่ยราคาห้าร้อบาทเราจะต้องซื้อห้าร้ยบาทแต่เราทํางานได้แค่ร้อบาทจะอยู่รอดหรืยสัตย์ดูแล้วนะไม่รอดต้องทํางานให้มันมากกว่าห้ารอยอยู่ได้เนี่ยเท่านี้ธรรมดาเนะธรรมดานะไปไม่หยอด แล้วนนนนก็มหน้าบาปบาปวิจาระบอกต้องช่วยตัวเองการบวชไม่ช่วยตัวเองแน่แน่ท่านนาวกาที่รักเลยที่ท่านมาบวชท่านมาช่วยตัวเองใช่ไหมท่านได้บุญถ้าท่านเปน็นนวกาท่านเป็นบุตรของใครยอมพ่อโยอมแม่อยู่ที่ไหนถ้าได้ทราบว่าท่านลูกชาสวดมนต์ไหว้พระไปสามไม่ขาดสวดมนต์ภาว น, น า, นาถ้าพ่อแม่ของท่านตายสู่สัมภิญโภชจะได้รับทีงบุญ เวล า, า, าตื่นาบมาข้างๆบวชเป็นเฉาหมาหอนเป็นเถวมารับส่วนบุญลูกชายบวชหลานโดยบวชมารับส่วนบุญน่าจะเห็นได้มารับส่วนบุญลูกหลานที่มาบวชไม่มีบุญมาชนะจะมารับบุญตรงไห น, นมารับเอาบุญตรงไห น, นลูกหลานมาบวชช่างจะบาปมันน่ากรมาถานเอาจะบาปแล้วเขาจะมารับบาปไหมตาบ ความดีทำงา น, นถึงจะอุทิศได้ถ้าความชั่วของท่านไม่มีใครอยากได้เราจะเอาความชั่วไปอุทิศส่งกุศลได้ไงความดีทุกคนอยากได้จะเป็นผีสางนางโกงก็อยากได้เราให้ทานทุกวันทำใจสบายผีมากันทุกวันเลยมากับทุกวันมาขอสิงอยู่อาหารเลี้ยงตลอดผีมันก็ไปบอกมาจากสิงคโปร์บอกให้มากินข้าววัน ผีมันทะเลาะกันผีอยากมีผัวผู้ผีอยากมีผัวเอาไว้บัณฑนาจะเราว่าผีอยากมีผัวอย่างไรติดตามฟังในบัณฑ น, นาต่อไปผีอยากมีผัวเรานึกว่าเออคนก็อยากมีผนะัวเนี่ยผีมันยังอยากมีเหมือนกันเคยเล่าแล้วใช่ไหมเคยเล่าเคยรู้แล้วใช่ไหมนี่ผีต้องมีเลยข้างวัดผีมันอยากมีผัวตายไปแล้วเนี่ยต า, ามันมาเป็นผัวมันเล้ง น, นี่ ระวันะมีอแฟนที่ตายแต่ละวันนะดูมาดีมันจะเอาปเราไป็นผัวมั น, นี่ตรงนี้เลยท่านเป็นมะขามยังนี้ไม่เล่าเวลาจําตัดเดีย๋ยวเล่าเด้ย๋ยยมจะกับเหยือยาา่องกรรมฐานเดี๋ยวจะไปนั่งเออผัวก็อยากมีผัวแ ล, ล้วลางยังไม่มีผัวจะทําอย่างไรเลยกรรมฐานเสียหมดเลย กรรมฐานเชื่อหมดเรื่องจริงนะจริงหน่หน้อพูดนอยทำความเพียรม า, ากศาสตร์ปัญญากงวนมาอย่าไปคิดเรื่องทางบ้านทางเผื่อทางเมียผีมันก็อยากมีคนมนุษย์ก็อยากผีมันก็อยากมีเงินนี่คมเคยเจอผีไหมผีมันก็อยากหน้ากรรมฐานเชื่องนาวิโรยทัดมาโดยนายตั้งหาย้าหน้ากรรมฐานที่นี่น้า รายงานตัวตนี้แต่คนยังไม่อยากได้เลยผียังอยากนักก่งกรรมฐาน ม, มันก็นาให้มันมาแล้วมันตายลดทงตายแล้วก็มานัา่งกรรมฐาน ท, ที่นี่แฟนก็ไปอยู่วัดหนึ่งแฟนบอกว่าาคราวคุณยากก่อนเลยตาย ด, ด้วยนนกันยกที่เลยไม่ต้องมานั่งกรรมฐานแต่สามีเตรียมเนี่ยเกลียนมาเรียบร้อยพอตาจุด ก, ก็ถึงเลยถึงเมื่อก่อน จะไปในโลกสวรรค์เข้าไปทีหลังตรงนี้เป็นเรื่องที่สูกได้เพราะฉะนั้นทา่านผู้มาปฏิบัติธรรมท่านต้องสำนึกสำน ญ, ญ์ย่ายได้ว่ามาบวชทําไมพี่น้องทุลักทัานหญิงทั้นชายท่านตั้งใจมาบวชทําไมบวชสนุกเลยเหรอนางกรรมฐ า, านต้องการจะไปสวรรค์มิภานต้องการจะไปเจอพระพุท ธ, ธาจา เ, จ เ, เจ้าเคยไหมเจอหรือยัง่ไม่ลืมเสร็จเจอหรือยังเจอพระเจา้ายัง น่าให้เจอจ้ะพุทธเจ้าหลุดลอยไปยังไงฮะเจ อ, อยังฮะบางคนเนี่ยทาบุญอะ่ะโอ้โหหมอหลวงพ่อคะฉันทาบุญมากไปเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามฉันว่าส บ, บายดีไหมเผื่อเธอดีไหมหมอพุทธเจ้าทักถึงขนาดนั้นแล้วจะให้เราเพี้ยงไปด้วยเราไม่เพี้ยงแล้วนะไปยแล้วแม่ถุนแมาถุนเหนือตาคนเหอ้ยก่อน สามารถไปทำบุญใหญ่ๆไปเจอทุกจะการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างชีวิตให้เกิดคุณค่าเวลามีประโยชน์ต่อชีวิตที่มีค่าต่อเวลาที่หมดไปตรงนี้นะเข้าใจไหมแม่ประฐมเข้าใจว่าทุกเจ้าทำชีวิตให้มีค่าราคาแพงขนาดเงินจะเหลืองทองเลยมาโลกดีหมดทุกคนไม่โลกไม่ดีลนะสามเมือก็ดีด้วย ขอให้สารยาดีือเ้าคนเดียวมานั่งปฏิบัติได้ทั้งครอบครัวได้หมดทุกคนแม่บ้านเดียวอย่างเดียวได้บุญกุศลแล้วก็เกลียดนะอุทิศจงกุศลจากความเดียวเนี่ยถึงหมดทั้งบาทโดยจะพายังเรื่องบิดามารดาของเราชื่อเลือกเครือข่ายได้หมดไม่จะเอาชื่อมาดองชื่อแล้วก็ลูกก็มาต่อชื่อว่าลูกชื่ออะไรไม่ต้องเพรามันเป็นลูกของเรา แล้วลูกชาคนโตก็มันจะออกขึ้นล่ะเพรามันนอนอยู่ด้วานานยกันทูกชายคงโตนอนด้วยกันใช่หมเดมาไม่พูดนี่สามีเขาไม่พูดแล้แม่ปทุมพูดคนเดียวถ้าไปพูดทั้งสงคนแล้วมันอาจจะแย้ ง, ยงกนันจาไว้นะให้เมียพูดคนเดียวไปเรานั่งเฉยๆด้วยนะอย่าแย้มซื่อนิโกให้แม่แพูดคนเดียวถ้าพูดสองคนเดียวมั น, มนไม่ใครสเปกตัวใครคอกันนี่เรื่องจริงนะปฐุมนะนี่ ใครอยากเชืาติพันธุไปสามนโยส่งนอกส่งอเมริกาไปจันเลยมหาศาลลูกดีกนหนึ่งลูกชายคนนั่งนิ่งเงียบแหมหน้าเลื่อมใสลูกชายที่ดีมากมาส่งมาไหวไม่พูดจามากับตาเปยงดีทั้งสองคนแม่คุณว่าไง เรื่องจริงขอขอประทานโทษท่าภรรยาหรือครอบครัวนั่งกรรมาฐานตั้งสายตั้งใจได้ทั้งบริษัทบริษัทของเราควรไปรอเป็นได้หมดเพื่อใครทั้งแผ่แม่คือกําลังอิทธิปฏิหารและความดีเขาไม่คุณไม่คึงหัวเจอพระแล้วท่านจะขยายอยู่เย็นไปฉุกทั้งบริษัทถ้าไม่พบพระถ้าไปพบพระเพลงิงกสตอ็สตอกสต็อกจะเพลิงไหม จับพระเพลงไหมถ้าเจอพระเพลงหยุดประคุณเจ้าสีเคารพครับจะถ้าหยับเจอพระเพลงต้องหยุดเจอพระกระเสริฐพระชายพัดเย็นใจผู้ประเสริฐถ้าเจอพระเพลงต้องสต๊อปเลี่ยงจากพเพลงใช่ดหมจับพระเพลงเผาผิงทำให้บ้านเราล็อกเต็มไปหมดในอกเท่าไั้งรักแค้นแย่งช่วงทั้ ง, น ง, ง ห, หนักหน่งในหัวใ จ, จ, จ, จมีครัดเจ็นมีรับเจนนะเนี่ย ขออนุทนาถึงกิจการงานดีเพราะว่าแม่บ้านดีพ่อบ้านไม่เป็นไรพ่อบ้านอยู่ในไร่เหมือจันขอให้แม่ประทุมทองคนภาวนาแผ่เมตตาเจริญฐานลูกดีมาดแล้วก็ลูกคนอุทายคนโตใช้ได้ดูแล้วใช้ได้แม่ประทุมว่าอย่างนั้นนะคุณแม่ว่าอย่างไรลูกไอ้ว่าตามมีท่าโต ้าคาไม่รู้โจรไปอย่างนี้น้ำเมอวานน้ำเมอวานเดี๋ยวไปประเทศญี่ปุ่นด้วยหน่อยยูเพนยูเพนและยูพานะอัตมาจะไปญี่ปุ่นนะจะไปญี่ปุ่นเอามาเมานาด้วยจะเลิกบวชมิกาย กลับไปบวชนิจายที่ปูนบวชทิงโตะนะบวชที่ปูนสบายมากไปมบวชด้วยกันจครอบครัวได้ใครน่งทุกนอาล่ะจะไปบวชปูนยากดูดนะอดองอให้ไปไหมเนะนะจะให้หลวงพ่อไปไหมแล้วคิดไปคิดมานะยุคนะบวชที่ปูนก็ไม่ เดี๋ยวจะถูาพวกนี้ไปบวชชื่ออินเดียเป็นพระอรหันอินเดียนน่งลมหอมดีที่สุดต้องใช้ผ้าจีบอนไม่ต้องให้ปมเปลี่ยนดีไหมประทุมดีได้หมเดี๋ยวถ้าโยมเห็นด้วยวจะให้พระเนี่ยนุ่งลมหอมฟ้าไปพระอรหนันเลิกผ้าจีบอน ดีไหมอาคุณเงาเดี๋ยวความหมา้พระไปไหนหมดวิ่งเนี่ยอาจะมาไปทำไมมาที่อินเดียเนี่ยพระาสน า, ามุรละนุ่หงหมลมห่มหฟ้าจาหลานอินเดียเขาไม่ต้องการแรงผ้าพรจึงไม่เอาแต่พระพุทธเจ้เรียกว่าทีเปลือยไม่ถูกต้อง ไม่ดม ไ, มได้มากในผลการใดเท่านั้นขอจเจริญพรว่าการจเจริญกรรมฐานเป็นาาการสร้างชีวิตให้เป็นมงคลห้ามงคลเกิดในคือของเราได้จะเกิดกระตาในอุตเวทีจเจริญสติปัญสิ่งให้มีสติอยู่ตอลอดเวลาเชื่อสติเดี๋ยวนี้เพี้ยนรจจังเลยมาสองวันนี้เพียนมาจากไหนมาจากอุจกรรมานนี่จะมาเลยนเราตายใช่ไหมเนียโยมพุ้ชายใช่ได้ ขาดสติมากเนี่ยอย่ารับไดนะ้คนที่เครียดและคนขาดสติปฏิบัติไม่ได้นะปฏิบัติไม่ได้คุ้มสติไม่อยู่คุ้มจิตใจไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เดือดขาดอันนี้พุทธเจ้าสอนชัดอย่ารับเลเห็นหนอกันใช่ไหมเห็นด้วยสัญญาดูลักษณะของคนก็รู้ว่าคนนี้ไปโรคประสาทแล้วเป็นโร ก, กเครียดรับไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ต้องรักษาให้หายเป็นปกติก่อนค่อยมาปฏิบัติไม่ไดีห่วงห้าก็ขอฝากไว้ในเวลานี้มันจะต้องตั้งใจปฏิบัติแต่การปฏิบัติท่องโยมที่มาเนี่ยอย่าให้มันเครือดสิ้นสิ้นใช้ตึงไปไปอย่าให้ย่อนเกินไปมัดจิมาปฏิททปทากลางกลางก็ขอฝากไว้ว่ายืนหนอเอาให้ได้เนี่ยสองอย่างเนี่ยยืนหนอก้าครั้งตั้งสติไว้อยู่ก็สิก ตาสตอยูก่ก็จิดได้ห้าครั้ ง, ง ต, ต, ต, ตั้งแต่ที่ขะลงปลายเท้าปลายเท้าเป็นเสื่อระเบ้องตามปลายผมลงไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมาลาบลองจะต้องรู้อะไรปรแปลกต้องรู้กฎเหตุการณเนี่ยจะรู้เหตุการณ์เขาคนณอีกเพราะเราอ่านตัวออบบอกตัวได้ใช้เป็นอย่างนี้หลับตาเห็นขัางไหนลืมตาถึงจะเห็นทนั้งนอกหลับตาไว้ยืนหนอห้าครั้งอย่าทําเร็วยืนถึงจะดูแหละหน่อจะชา แล้วยืนจากปลายเท้าอย่าไปดูที่ลมให้ชายชิตมุอย่าไปดูตรงนี้เอาเลยยืนหนอแล้วก็ยืนจากปลาเท้ายืนมโนภาพให้เห็นอุลรางยืนแล้วก็หนอถึงขมอมสามลงไปสี่ขึ้นมาแล้วห้ายืนหนอ เลืมตาดูเท้าเดินตรงกรอย่าไปดูที่อื่นบางคนบอกให้ไปดูตร ง, งนั่นดูตร ง, งนั่นดูตร ง, ง, ตร ง, งไม่ได้ถ้ามาดูที่เท้าไม่มีสมาธิจับขาเดินไม่ได้ต้องดูที่เท้าให้ให้ํำนานขวายกไปเฉยเฉอย่าเพิ่งอยาขวาหยุดยาหนョหยุดแล้วถึงจะขาย่าหนอหยุ ด, ด อู้่งขวาแล้วก็ขวาพอสมาธิดีถึงจะรู้ว่าจิดมันดับว่าขวาใชา่เป็นอันเดียกวกับหรือเปล่ามันจะบอกทัดเจนเลยนะขวาอย่างน้อ ก, ก้าอย่างหนอนจะไปรู้เรื่องอะไรกันรูมาชุ ง, งออบอกให้เดินช้าๆก็ให้ดูตรงนี้อย่าไปดูทางโน้นไม่ได้ตอเนี่ยต่อปภายหลังให้อดกระเบนเนี่ยมนะัเป็นโรคตายหายเลย ถ้าทําอย่างนี้ชั่วโมงเดียวยังไม่ยู่ถ่สองชั่วโมงเนี่ยมันจะลัดต่อดถ้าเปโรคปอดตายไวเลยถ้าทําอย่างนี้ไม่เปไ็นไรถ้าลงเดินไปนานๆสักสองชั่วโมง ม, มันจะลัดหนออันนี้เป็นตาราของเราทีท่คัดเองเดินทางไปทุูดงที่พมา่าขโมัวไปทําอย่างเนี้แย่เพราะเดินไปต้องไปครึ่งวันมันก็รัดตรงนี้ถ้าเป็นโรคผื่โรคพอดตายใหญ่ตายไวใช่ไหม ของอกผายหลายผึงหน้าตึงตาโตตาโตด้วยปัญญามีบอกไว้ชัดเจนแล้วขณะที่เดินจงกรมนั้นเมื่อไรหยุ ด, ดอย่าเดินต่อเอาทีละอย่างทีละอย่างไปสิบอย่างรวมกันไม่ได้หลายอย่างรวมกันไม่ได้ขาสมาธิพอเดินไปนั้นมันปวดเมื่อยคอหยุดปวดหนอปะปาดลงไป ปวดหนอปวดหนอให้ห ล, หลายครั้งจนเคยชินแล้วก็รู้สึกว่ามันปวดมากจะได้รู้ว่ามันปวดเท่าไหร่เราจะได้จำํำคุไวอ๋อนี่ปวดขนาดนี้ถชีเหรอเราจะได้พิสูจน์ได้เลยว่ารับประสบการณ์ของเราเองว่ามันปวดอย่างปวดแทนกันไม่ได้พอท่านเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไปเดินต่อไปแล้วเสียใจช่อเรื่องอดีตมันมาโผล่ เรื่องมาเดินก่อนมาโผล่ที่เราทะเลาะกับครอบครัวหยุดตัดปัญหาเลยเสียใจหนอที่ลิ้นตีเนี่ยเสียใจหนอให้ยใจ ย, วยาวแต่ให้ใจชั่งจะไม่รู้เรื่องก่าเสียใจเรื่องไหไต้องหายใจ ย, วยาวถ้าไม่มันถูกงานเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายทําถูกตามนี้อาจะเห็นพระเนี่ยมันจะเห็นหนอพระพุตรเจ้ามาเยือนพู่กับเรามันจะเพี้ยนไปนะในเรื่องจิตจำไว้เลยอย่าเพี้ยน ขามนอยู่นี่ขาอยทีกายปึกเสียกจหนอก็ตัวอย่างให้เห็นต้องตัดปัญหาเลยโยมประทุมจำไมในระยเลิ้นเตเนี่ยหลับตาขณะนั่งอยู่ในครัวลิงไหนก็ตามจาัดการไม่ใช่ลอให้มันผ่านไปถ้อลอผ่านไปจะปากฟัมเหลวไหลไว้ทำให้ประทึกจิตให้เสียหายต้องตัดปัญหาปัจจุบันจำไวมนะ อดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันนี่คือกรรมฐานเสียใจหนอเสียใจหนอให้ใยาวๆให้จิกช้าชา้าไปไว้เสียเพื่อดดพอช้าไววไม่ช้าจะได้พลายสมเรื่องงามเดี๋ยวรู้เลยแม่ประทุมเนี่ยเสียใจเรื่งรองอหไอ๋อเมื่อวันเมื่อเดือนก่อนเขามาทะเลาะกับเรามันมาเกดโคลขึ้นนับบัดนี้มาจนกรรมเราตัดกรรมเฉเลยดยกา เสียใจหนอเสียใจหนออ๋อเขามาดาา่าเรามันจะปรากฏพิเทปสิดที่ฝังไว้นานมันฝังไว้มันจะโผล่ให้เราอา่านออกบอกได้ใช่เป็นประทุมจะไม่ก็ได้ความว่าพระติจะบอกเราว่าอย่าไปเสียใจเลยวถ้าพวกนั้นเปนพวกเกลือลเราอย่าเพิมพแขนไปเรียกเกลือเหลือวิสัยตัดทันทีเทปตัดเลยแล้วก็จะไม่ปลาลบ คืตัวปัญญาถ้าช้าได้จะเกิดปัญญาถ้าเร็วดวนได้ไม่ใช่ไม่มีปัญญากลายมีเป็นคนโ ม, มหะกลายเป็นคนมีกิเยดแสดงกลียดออกมาทะเลาะกับเขาน้นเราสติมันจะบอกว่าเมื่อครั้งนั้นเรามีกิเยดมากในปฐุมคี่ไปทะเลาะกับเขานี่สมมตินะหมอไปทะเลาะกับเขาปัญญาของเราก็จะบอกว่าเราอย่าไปทะเลาะเขาอีกต่อไปเลย เราอยา่าแสดงกิเลสไปอวดเขาเขาจะดา่าเราจะเลิกหน้าเลิกหลังยังไงก็ไม่เป็นไรเขามีกิเลสอย่างนั้นแต่เราควรจะละอาใจเราควรจะละอายใจเถิดถ้าเถิดที่สุดปัญญาบอกอย่างตอนนื่องไปตัดกรรมเลยว่ขาข้าพเจ้าจะไม่สร้างความเสียหายอย่างอีกมันฝังมาต้องเดือนกว่าแล้วเมื่อปิกายพอมีสมาธิเขามันจะโผล่มาให้เราแก้เย้อนงงกับโผล่เนี่อกับโผล่ วความมัวไม่ทานหายความคลายเขามาแช่พอนั่งสมาธิอนนอกระโผ r o นี่กระโผ r o ปิดมีสมาธิใหญ่ๆกดแทงกรรมมันจะโผล่พอนั่งปับ๊บ อ, องเนาให้หายใจย า, ๆยาวๆยุบเนาะ อ, องนอยุบหนคิดอะไรไม่รู้หนอคิดเป็นเรื่อง้อยไปธนกาศนันายจริงปิดออกไปมาไหร่ ไม่รู้เลยใช่ไหมคิดต้งหลายเรื่องทำยังไงคิดหนอตรงนี้เอาแรงคลิดหนอคลิดหนอเ ด, ดี๋ยวกลับแล้วก็พองหนอยกหนอต่อไปและเรียงนั่นจะสะปอปไปเองพอรู้จริงเขาจะไม่โผล่อีกแต่ไม่ถ้ารู้ไม่จริงมันจะโผล่เรื่อยเลยเดินจ้องกลมหนึ่งชั่วโมงนั่งไอ้นู้นก็โผลอี่ยความมือไม่ทันทาหายความไฟเข้ามาแท้ ถ้าบางคนไม่มีบุญเลิกเลยปราบบ้านเลยไม่เอานั่งมาใหญ่สมสาธิไล่บุญมากสู้ต่อไปเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมันเกิดหลายร้อชาติแล้วประทุมเกิดมาหลายร้อยชาติแล้วมันสะสมบาปมันก็เยอะสะสมบุญมันก็เยอะมันจะโผล่มาบอกให้เรารู้เราจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวหน้าจะไดใช่ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้ขายทิชชูจะได้ยำดีชอบจะได้ประกอบกุศลได้เพราะนั้นเป็นหลักฐา น, ำ น, นสำคัญตรงนี้สําคัญมาก มันมาสอนเราเองใครมาสอนอดแทงกรรมมาสอนแล้วเราจะแก้จากไรตัวปัญญาเป็นผู้แก่ถ้าเราทำใจร้อนแก้ไม่ได้ทำให้เห็นดบเห็นดีไปก็มันเลย อ, อย่าลืมนะคนที่ไรปัญญาขาดสติจะเห็นดีเห็นดีไปเผ่าที่รับผู้ให้คำทั้งหลายฟังว่าเห็นกงจับเป็นดอกบัวไปเห็นความทั่วเป็นความดีไปชนา ไปเข้าข้างชั่วเอาตัวไม่หลออไม่ทบพระไปพกเถินเทวทัตต้องทําลายตัวเองถือเถินเทวทัศ์ทํำลายพระพุทธเจ้าทําลายพระธรรมที่เรามีให้เห็นกงจากเป็นดอกบัวไปหเห็นความชั่วเป็นความดีชัดเจนนะอันนี้ชัดแ้่นะกระทุมนี่เรามานั่งเสจ็จวันเดี๋ยวรู้เลยอันนึงกระโผลอันนี้กับพผลผ่อนั่งผ่องน้องยกน้อ องน้อยึดน้อสับลรอตตรงนั้นไม่ดีน้อเอ่ตรงนั้นสับล็อตดีน้อคิดไปคิดมาเอ้าวตายจริงอ้าวคิดออกใช่ไหมล่ะไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราทําแล้วคิดมันจะออกต้องจับห้ได้ทวนหน้าจะจับห้ไม่ได้มันจะเพลินเพลินเนี้ยทําให้เผลอเผลอแล้วแวบไปเลยแวบไปต้องนานแหละเพราะหน้าแล้วไม่รู้ว่าออกทางหน้าป้าหรือหลังบา้าน พอใจไหมถ้ามันจะออกถ้าเราสมาธิดีนะสติคร บ, บวงจร้องหนอมันจะเพลินเผลอว่าออจะออกแล้ ว, ลวจะออกแล้ ว, ลวจะออกแล้ ว, ลวคิดหนอทันทีออ ก, กลับเลยหนากเท่าจิดจะเคยสมาธิปัญญาก็เกิดชัดเจนจะไม่ชี้ต่อไปปวดหนอนี่มันต้องปวทุกครั้งตายให้มันตายกำหนดไปเลยเด้ อย่าท้ออย่าถอยอย่าหนีสู้ตายให้ตายตายให้ตายตายดีแทะไม่เป็นไรตายชี่วัดนี้ไม่เป็นไรจะมีโขนฮะแล้วก็สวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวมนต์พระสวดฟรีสวดฟรีได้ไหมสวดฟรีได้ไหมเนี่ยพระกรูพยุงสวดฟรีได้ไหมได้นะได้ทำนมิมนต์ไม่บอไม่เอา อาบ่อกแย่องนี้เท้ฟรีอสุงเท้ฟรีเดไหมนะดีเหรลเพราะอะไรชื่อว่าดีเพราะคนชอบฟรีใช่ไหมหรือยังไงะใช่เหรอคนเราเนี่ยนะชอบฟรีเหรออ๋อแล้วพระท่านก็สวฟรีน ถ้าฟื้นบ่อยๆท่านก็บอกไม่ว่าวันนี้ไม่ว่างอะท่านกิจวัดรึุ่เยอะใช่ไหมร้องดรีองมลแตดีไหมเรื่องนี้เรื่องสําผานจิตออกนี่ไม่รู้มันออกไม่รู้ถ้าเราสขมาที่ดีสติจะรู้พอะรู้มันจะออกมันจะขยับกำหนดเลย พกอกนวลดได้ปับต่อไปได้เลยเดือสิ่จะออกมันจะบอกออกไปไหนไปดีรูกชั่วสติจะบอกทุกครั้งดีมีประโยชน์มากคุณขอให้ผู้ปฏิบัติทำตั้งใจอย่างนี้เลยไหมต้องเนาะยอดนาะปวดเนาะกูทนไม่ได้เนอะกูทั้งเลิกหนอแพ้เลยสอบตกเลยชอบตอกเลยเลยุเพนปวดหนอะกูเลิกหนอ จะหานโยบายยังไงดีที่จะไม่ให้ให้ผู้ดูแลหรือผู้ปฏิบัติครูอาจารย์ไม่วหวก็หาอบัตอบัตสโลบาทปวดน้องโทษไม่ใหญ่น้อกูจะต้องไปห้องน้ำนอแล้วก็ออกไปว่าขออนุญาตชุงง่ง้อไปห้องน้ำหน่อยนะไปแล้วก็ไปถ่ายเรียบร้อยดีแล้วก็แหมชุ ง, งอ้อหมูนี่ท้องถู ก, กัน มานั่งหลายวันท้องผูกมันไม่เคยออกเลยตั้งอยู่แค่ชั่วโมงทื่ห้องน้ำดีไหมดีไ้มดีไหมนกนกยังรู้เรี่มนกหวัวเลาะเลยแบบแหนพวกนะักกรรมฐานยังรู้จักเลื่ยงงานนกมันหวัวเลาะเล ย, ออลอ เ, ลยเออเ่อกีไหได้ยินไหมล อ, อ ก, กอ น, น, นอกมันชอบใจ นกไม่ชอบใจปวดน้องตายให้ตายปทุมกําหนดตายให้มานรู้ไป ก, กาหนดตัวนี้มันยช้ยปัสนาเรียกว่าสมระต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะศึกษาเข้าใจแล้ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาก็แย่ออกลูกนามขันห้าเป็นอารมณ์อะไรเป็นลูกอะไรเป็นนามมันจะบอกเราเองเจิงขวาย่างน้องอะไรเป็นลูกขวาย่างมาเป็นลูก ติดกำหนดรู้หว่าขวาหรซ้ายมาติดดวนอะซ้ายยาหนอนดุดเราจะได้รู้ว่าตุดมันดับเพราะนั้นติดขวายาซ้ายยางเป็นคูะดวงเนี้วให้ฉันเกิอย่างนี้แต่เราขวายางซ้ายยางเลยก็รู้ติดมันมีอยู่ดวงม่มีดวงเดียวไม่ดวงเดียวหรอกเกิดแล้วมันก็ดับดับแล้วมัเกิดขวายาหนอนซ้ายดวงใหม่อยนะ่างนมาไม่ใช่ดวงเก่าเข้าใจไหมนเนี่ย พอใจนะเอาไปสังเกตไปสังเกต ด, ดูทําให้ชาเขาไว้จะได้เห็นชัดถ้าเร็วจะเห็นชัดนี่แหละทำไม่ไชาพลชาจะเดชาสองเรื่องงานใจเร็วด่วนได้หาดีไหมองค์นี้เรื่องสาคัญแเรายืนหน่อห้าครั้งให้ด้แต่ทําได้แล้วเห็นหนอที่สาลงตาชาไปชาที่ด่างนิสัยไม่ไดีบอกได้ชัดขอให้ทําตรงนี้หน่อยเถอะ พอเห็นปาพิสาลงไปท่าไปพิสะมันจะย้อนมาบอกตรงนี้มีลิ้นปีเนี่ยคนนี้ครบไม่ได้จะบอกในพรอบทานได้ผิดเขาปฏิเสธผลครอบคนทั่วทํานตัวอับจนครบคนีผลตัวมันตายเมาแพทย์หมกค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีเนะี่ยขอชมเชยแม่แม่ปฏถนี่อาุนาพามายใช่ไหมอสุนา หมดตัวละบัดนี้รวยละเขาไม่จล่ายจนพยานยาแก้ตัวให้หนนาพยานสร้างความดีให้หน่้ดูบัดนี้จะดีขึ้นนี่ยดีทั้งครอบครัวคนงานก็ดีหมดขอให้ตั้งใจจริงตั้งใจจริงๆและทาจริงจริงหน่อยได้ผลออกมาชักเจนทำอะไรไม่จริงอย่าไปทำเลิกดีวกว่าหลหล้วมรอแลหละเล้ยวไหลเป็นคนก็ไม่จริง เป็นชายก็ไม่ยินยินก็ไม่แทร์เป็นคุณแก่ใครเขาจะบูชานี่ชัดเจถ้าเราทําได้อย่างแล้วก็แผ่เมตตาสร้างความดีไว้ให้มางๆแผ่ให้ครอบครัวและบริษัทคนงานของเราจะได้อยู่เย็นจุกถ้าคนคิดไม่ดีกับเรามันจะออกไปเองใครเกลื่นไม่ตรงกับเรามันจะไปเองคนดีมันจะเข้ามาหาคนชั่วมันจะออกไปเองโดยอัตโนมัติขอให้สร้างความดีไว้ก่อนแล้วแ ม, ม่ประทุมช่องวัด ไม่สู้ไม่หนีโอุตสสร้างความดีไว้ทุกวันไม่สู้ใครแล้วไม่หนีสร้างความดีทุกเวลาความดีจะเด่นเห็นชาติเห็นกาเห็นถึงสหรัฐอเมริกาถึงเร า, าไม่เดียนเรียนปัญญาโพเหตัวสมองมันจะบอกทําอย่างไรจะดีนี่เส็นนาธิการอยู่ตรงนี้คือตัวปัญญาติดมากับตัวเราครบอ่านหนังสือไม่มีตัวแม่ปฐุมที่เก่งมาสามีเนี่ยนิ่ง น้ำหนึ่งหลายลึกดีที่สุดแต่ไม่พูดเลยแต่แม่ประทุมพูดเพื่อแก้ไขปัญหานี่เรารักมากรักคนที่มีดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้ไม่ใช่รักคนที่รูปร่างสวยรักคนที่รวยทรัพย์สมบัติของชีวิตรวยปัญญารวยการแก้ปัญหาสวยน่ารักไม่จะสวยน่าเกลียดอย่าตามใจตัวมันน่าเกลียด อาพียงแนนอนแน่ต้องไปบวชที่ญี่ปุ่นแน่นอนไปด้วยกันไหมไปบวช ด, ด้วยกันนะไม่ไปแล้วหลวงพ่อไปคนเดียวได้ช่วยออกขากับบินนิดหน่อยนะเ อ, อ๊นึกได้แล้วไม่ต้องเสียเนินท่าทางเครื่องบินแค่ญี่ปุ่นแค่นี้เดินไปไม่ได้เลยได้ไหมเดินไปด้วยกันนะ เดี๋ยวแฟนจะมาเรี่ยมเธอเหรอนะไม่ใช่แฟนจะกลับมาไหมจะมารับแม่หาแฟนได้ที่ไหนจะมารับภรรยานั่งกรรมฐ า, านมาอยู่ประเทศไทยหลายวันนี้คู่แฟคู่นี้เป็นญี่ปุ่นหมดไม่ใช่กอนเคออยู่ที่ญี่ปุ่นเลยชาตินี้เกิง ยุพาก็สอนภาษาญี่ปุ่นในบ้านน้องสาวใช่ไหมเหมือนกันเลยเราดูรู้ไม่เหมือนกันมัยแล้วเหมือนทางนอกไหนบางคนแต่งงานแต่ทางนอกไม่เหมือนกันแต่้างในเหมือนกันเนาะเลยไมนมีลูกอาชงอู้เรื่องนะเนี่ยที่พูดเนี่ยฮะรู้เรื่องเหรอคะใช่ได้ การเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการมุ่งคลชีวิตที่อยากแก้ไขปัญหาถ้าเราทําได้โดนจงตรงนนะเนี่ยน่ะขอฝากไว้เนี่ยพี่น้องที่รักมันจะมานั่งกรรมฐานสบายเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอ๊ะนั่งไม่สบาย เ, ยเยดี๋ยปวดโน่นปวดที่นั่งเดี๋ยวกลับยานะถ้านนั่งไม่ปวดเลยนะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ทนครูไม่มาสอนเอาทงเงาะครูไม่มาสอนปวดนี่เป็นครู ประท้วเข้าใจไหมปวดหัวก็เป็นครูไม่สบายใจเป็นครูต้องเรียนให้จบไม่สบายใจยังไงไม่สบายใจหนอเรียน อ, อ๋อตรงนี้เองไม่สบายใจแก้ไขปัญหาเกิดความสุขโดยกัจจักทุขนี่ครูท่านั่งแล้วของเอโยกเนอนำลายหลายยืดเนอแล้วก็หลับเนอแม้สบายเนอนัอ่นงสบายมาก สอบตกไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยท่านางองยงกระปวดแล้มี่ราความว่าไม่คาหาความฝ่านมาชัดนั่นคือได้ผลปทุมจะไม่ได้ผลจะได้เรียนให้รู้ว่านี่อะไรเนี่ยพอเวทนามาไม่เรียนเลยเลิกเลยใช่ได้เยอะใช่ได้เยอะตายให้มันตายเรียนให้มันจบเหตุตายให้มันตายเลยไม่สบายใจยคือคือ โกรธเนะี่ยคือครูเรียนความโกรธดูที่มันโกรธเป็นยังไงเรียนให้จบที่โกรธมีลักษณะเป็นไงอชุ่งอ้อยโกรธมีลักษณะอย่างไงโกรธมันเป็นยังไงเอาตัวมาดูที่นะยากษุกกยางเป็นไงทำท่าอยูที่นะอะไรว่างไง ต้องโกรถึงจะทําเป็นเหมือนแม่ทีลองพ่อครับฉันได้ยานที่หกถึงหกเกิดขึ้นท่าไม่กรธท่านไม่โกรแน่นอนจิงอย่ามาทีจิงฉันได้ยานในกรุงเทพไอ้ยาอะไรเรายังไม่อยากให้ยาหรือจะชีได้ยานยยายายาไม่รู้ชีภาษาเพราะเผลอหน่อยนะจะชีบ้าแกนเนี่ยบ้าจริงจริงจะชี ลุกเลยลุกเลยน้อยไปน้อยไปท่านที่บ้าโอ้โหนี่อนมาดาวก้องถ่ายท่านว่าใช้บ้าทนาดท่านถึงแย่บ้าอ่ะขอจะเจริญอรไม่ชีจา๋าก็วางไม่เกลียไงฉันไม่เกลดเลยนะคะฉันไม่ชอบท่านโอ้โหยักษ์จะเล่นงานเลยซะแน ตอนนี้ยังทำทาโกรธไม่เป็นใช่ไหมนะนะไม่โกรธเหรอทำไมจะโกรธถ้าโกรธเนี่ยเสียเลี่ยมเลยต้องกำหนดโกรธหนอปพระมโกรธหนาตรงนี้ถัดไปเลยนะอยากโกรธ ยักมันคลี่โกรธไปอยู่ในถ้ำโพสการ์โพสการ์อยู่ในถ้ำไม่ใช่เรื่องเนี้ยวไหลเรื่องดีไปเสี่ยลตัวเองอีกเสดจรารถีเชี่วจะเป็นเพชเสด จ, จัตเทนินสอนท่านอา ล, ลัยก็ จ, จะห้ามหันไม่ได้ไลายต้องตาก็ไปไล่เวยสคาถาไม่โกรธไม่โกรธถ้าไม่โกรธแล้วก็ ขลังแน่ทำไมเนยไม่โนะกรธทำงไนก็ไม่โกธโทษการกำลังไปเชิดตัวเองของพญาอาของพระเจ้าพ ม, มา่าอายการจาจะเพชรเขี่ยวจะเป็นเพชรเตกจะเป็นนินสอนทั้งะไรไม่ละคายชื่งแคงไม่มีสายก็สู้พี่เพกไม่ได้พี่เพกคือตัวสติบอกให้หารนุมม้กับ ตุ้ครีบองคตไปทําลายพิธีได้นี่เล่าให้ฟังอนุมานก็ไปตุ้กครีบก็บไปนี่องค์คตจะไปต้องใช้เริงคตคือจิตคตถึงจะไปทําลายพิธีได้จำไหเนี่ยต้องเอาองคตเององคตเนี่ยถ้าจิตคตมาลาลมันจะโกงได้ไมนะันั้นถ้าจิตตรงโกงไม่เป็นเข้าใจไหมประทุมเข้าใจไหมถ้าจิตคตโกงได้ถ้าจิตโอ ง, กงโกงไม่ได้ ไปเลยไปก็เทขวมมากบ้วนน้ํำลายมา่กเอาอุตาราไปยามากไม่โสดเอกวันเดียววันเช้าทุ่งจะเป็นเพศเน่ะไม่โกรธไม่โกรธครูสการไม่โกรธตอนนั่นทันตีนเป็นตัโสกครกันใช่ดดไหมโกรธไหมตอนนั้นไม่โกรธวันพรุ่งนี้ท่ารามจะต้องตายเพราะเพื่อเป็นเพศเจต เ, เป็นมิ ไอ้เหริงองคตกบวนน้ำลายรถหัวโทษการไม่โกรธไม่โกรธเนี่ยแลังมากถ้าโกรธแล้วก็เสียหมดเสียไิธีจำไว้นะเนี่ยทําทลายก็ไม่ได้เคลัวก็แล้วเอาจระยาหน้ามันก็ไม่โดนต้องกลับไปหาพี่เพกใหม่จะทํำยังไงถึงทําลายพิธีดได้หูวเอ๋อรู้จักตัวพี่แพกไหมฮะรู้จักพี่แพทไหมย มานชื่อคือพ่เภกแบกอะไระอะไรเนี่ยงานอ้อรู้นี่ไปถามตัวสถิิดูไอลิงองค์คตรไปถามตัวสถิิว่าทำลายถึงจะทำลายยักษ์ได้สถิติจะบอกสถิิบอกว่าไงตอบดิเพราะอยักษ์เนี่ยมันมีจุด บ, บอกอะไร